ให้ดีเพื่อจะหนักแน่นให้มากขึ้นเั้นเด็กตั้งไข่หัดนั่งหัดเติดไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้ก็ยอมเลอยเดินไม่ได้ล้มลงก็ยอมเลยไม่ยอมลุกอันนี้ก็ไม่มีความเข้มแข็งนั่งไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็มีธรรมชาติอยู่ก็เรามองรอบๆอบ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 ละความชั่วนันก็มีส่วนประกอบต่อมาพราะองค์ก็โทษเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาอืนอ่นมาประกอบรอยเป็นเรื่องใหญ่ว่าไต่ปีโดแปดมื0นสี่พเรื่องเห็นคนอื่นผิดเห็นคนอื่นถูกมา ป, ประกอบในการสั่งสอนยิ่งแน่นหนาในความดีมากขึ้นเห็นคนทําผิดก็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 สามัคคีกันตกลงกันสันพิจสัญญาต่อกันจากนั่นเราก็ต้องมีเครื่องนี้ไปจมใจต่อวิดามานดาครัวาจานเพื่อนมิตรสหายก็ผู้กระทำพระสงค์เราเช่าดูอยู่คนเดียวเราทำดีคนอื่นก็ส บ, บายด้วยเราทำเครอคนอนก็เดือดร้อนเราก็ควรรับผิดชอบไม่ใช่กายใจอย่างเดียวแต่ต้องออกบ้างเวลาเราปรลบความเพียรไม่ใช่ ดุนดุนเดาเดามันจะเข้มแข็งมากจะว่าเวยายเดียวได้เรานั่งอยู่นี่พ่อแม่นั่งอยู่กับเราพระผู้ประทาพระสองฆ์อยู่กับเราครูบาอาจารย์อยู่กับเราหลงต่อไปสอนทํามที่รถเครื่องบินใหญ่ไปพ้นขนาดใหญ่มองไปทางหน้าทางหลังมีแต่คนอื่นไม่มีคน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 เดืเขาใหญ่โดงใหญ่กลางโดงชุมพรนี่ก็อะไรก็ตามอย่ามองเป็นบวกเป็นลบไม่สติเข้าไปลหลายอย่างไม่หวั่นไหวนอนแค่นะ้ำฝนตกตั้งคืนเราก็ไม่เดือดร้อนเปียกล้วก็ไม่เดือดร้อนเรา อ, อ ง, งเราอะไรหลายอย่างมอ ง, งเปโกบเป็นเขียดก็ได้มอ ง, งเป็นป้ายมีอะไรก็ได้นอนหลับ เอาหนึ่งไปนั่งอยู่แถวกวนพระเยาว์เดินดุดงไปอบรมพระใจจิงสมภารฉันข้ามวยเดียวนอนป่าชาตเป็นวัดก็ป่าชาคนแถวนั้นก็มีแถวจังหวัดพระเยามันกวนพระเยาว์มันเป็นทุง่งนาอู่ข้าวอู่น้ํามีแต่ทุง่งเดินผ่านไปหาป่าชาเขาเขาก็บอก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 เขาก็บอกว่าถ้าอยู่ที่ต่นผมจามาสารในสามเดือนได้ไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นบาทอันนี้ไม่มีเงินสักไปเลยถ้าเลยให้วะเบียบบอกให้อาจารย์ทานจโนดพระสงที่นี่จะนงศิลปเวาออกจากรรษาแล้วเวลาเขาว่าทอกับถิ่นมีเงินนิดนิดหน่อยหน่อยแบ่งให้พระหมดเลยจาเอาไว้เป็นค่าเราค่าเรือกลับบ้านก็คนเราพันสองพันบาท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 จะเอาอันนั่นมาต่อรองหัวก้าวนี่ยยากลำบากม่ใช่เราจะพูดถึงความยากลำบากแล้วพระศิรธะฐสมัยบำเพ็ญคนที่ทำอยู่ลำบากกว่าพวกเราเพราะนั้นอย่าข้อถอยมันหลงก็ยิม้มมันรู้ก็ยิม้มหัวเละาะตะพุเพืออย่ามันไวนันโศกก็รู้มันทุกข์ก็รู้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 อย่าหลงตัไนอย่าลาืมความเพียรอย่าลืมสติอย่ามอใหญ่ขาดไปได้คือสติอย่ามอใหญ่ขาดใหญ่คื อ, อยาหงอไอรำต้องเป็นส่วนนำอยู่เสมอถ้าไม่มีขนาดนี้เข้าไปไม่ออกฤทธิถ้าขาดสติไม่มีฤทธิ์ฤทธิ์คือมีสติเกี่ยวข้องกับใจสํามฤทธชนะทั้งหมดเลยฤทธิท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 ถ้ามันแสดงออกมาอย่าให้เป็นใหญ่มันเป็นอาการกายจ่อยเอาการแสดงของกายเป็นตัวเป็นตนให้เห็นว่ากายกว่ากายที่มันแสดงออกมาเป็นอาการของเขาเป็นเวทนาย่อคือเวทนาถ้าพูดถึงเวทนาก็คือเวทนาถ้าเป็นทุกเวทนาคือทุกเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาคือสุขเวทนามีอยู่ในกายนี้ เป็นฉกเป็นทุกข์ว่ากายนี้ป่านนี้เห็นแล้วเป็นจากแต่ว่ามาใช่ตัวตนเป็นจากว่ากายสวากราไม่ใช่ตัวตนสัตว์ปุงคนที่ไหนมั้นเป็นอย่างนี้มาแต่ชื่อว่ากายนี้งานเวทนาก็เหมือนกันอันเวทนามันก็มีอยู่ไม่ฉกไม่ทุกข์ไม่อยู่ในกายนี้ในชีวิตเหล่านี้ ย่าให้เป็นเหยื่ยในสุกขในทุกข์อ่านความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจยโยอารมณ์ปัจจโ ย, ม, จจโยมีอารมณ์ลิขิต ช, ชีวิตเราให้อารมณ์พาไปค่อมร้ายค่อมดีอารมณ์เป็นเหตุทําให้เราทงชั่วอารมณ์เป็นเหตุทาให้เราทําความดีไม่ใช่นับว่าอารมณ์อารมณปัจจยโยมันเป็นเหตุเราก็มีสติ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 เนี่ยกุณยารู้เลยผู้เจ้าแสดงไปกุณยารู้ตามไปตามไปติดๆติดตามไปทันเหมือกับการศึกษาที่เราตามทันหรือว่าอันสอนเรื่องหนึ่งวันนี้จะมาต่ออีกเรื่องหนึ่งมันก็ตามมาตามมาตามมาตามมาบาทีมันลู่ล่วงไปก่อนผู้ที่สอนมันก็มีส่วนประกอบพ้องกันไป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 เขาชี้เลยสองวันก็ได้สอ ง, งมันสอนขันอิจฉาให้เด็กนะใช่ไหมอ่าก็สอนไปสอนไปสอนไปนี่นมันติดตามอ่ะถ้าไม่เงี่ยงหูฟังมันก็ไม่รู้เลยโกนทัญยาเงี่ยงหูฟังพุณเจ้าจแสดงธรรมนี่ก็ต้องรู้ตามไปนะบางทีขอไปนะหลวงพ่อเทียนพูดไปเราก็ฟังไปฟังไปเราก็ทําถทงที่หลวงพระเทียนพูด เราก็เห็นในสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูดสิ่งใดเราไม่เห็นนั่นก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไม่ใช่หาคำตอบจากคอมพิเรเรื่องนี้ต้องทำให้มันเห็นนั้นเราไปโไม่ข้อชดปัญหาตั้งสิบยี่สิบข้อเราเขียนออกมาแจกเอาไาถ้าข้อใดอ่านยังตอบไม่ได้จะเพิ่งไปตอบอ่านไปอ่านยี่สิบข้อ